ีเรียเรื่องผีข้าวมันไก่มีชายคนหนึ่งที่บ้านทำมาหากินด้วยการขายข้าวมันไก่ ซึ่งบ้านนี้จะมีธรรมเนียมสืบทอดกันต่อๆมาว่าเมื่อเจ้าของกิจการตายผู้ที่เป็นลูกชายจะต้องทำการสืบทอดกิจการนี้ต่อจากผู้เป็นพ่อซึ่งบ้านนี้ก็ทำเช่นนี้มาตลอดถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเต็มใจทำก็ตามจนวันหนึ่งพ่อของชายคนนี้เสียชีวิตลง เขาก็จำเป็นต้องสืบทอดกิจการร้านข้าวมันไก่ต่อจากพ่อของเขาทุกๆอย่างเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีจนมาถึงวันครบรอบการตายของพ่อเขาวันนั้นที่ร้านขายดีมากๆแบบที่ไม่เคยขายดีขนาดนี้มาก่อนได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นลูกค้าประจาของร้าน มาซื้อข้าวมันไก่ไปกินเป็นอาหารเย็นตอนนั้นเป็นเวลาพลโผล่เพลแสงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าเจ้าของร้านก็รีบทำให้เด็กผู้หญิงเพราะเริ่มมืดแล้วเธอยังต้องเดินไปบ้านเธออีกไกลเด็กผู้หญิงก็รีบเดินกลับไปบ้านด้วยหวังว่าจะได้อร่อยกับข้าวมันไก่แต่เมื่อเธอมาถึงบ้าน และเปิดดูในกล่องข้าวปรากฏว่ามีแต่ข้าวไม่มีไก่แม้แต่ชิ้นเดียวเธอแปลกใจมากหลังจากนั้นเธอก็เดินออกไปเพื่อซื้อข้าวมันไก่อีกครั้งแต่คราวนี้เธอจับตามองดูเจ้าของร้านอย่างใจจดใจจอ่อเพราะกลัวว่าเจ้าของร้านจะโกงเธอ แต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติเธอก็รีบเอาข้าวมันไก่กล่องนั้นกลับบ้านทันทีเมื่อมาถึงบ้านเธอก็รีบเปิดกล่องข้าวมันไก่ทันทีแต่แล้วก็ไม่พบไก่แม้แต่ชิ้นเดียวเหมือนเดิมอากาศรอบข้างตอนนั้นเงียบสงบเยือกเย็นทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแง้มประตู เธอเริ่มกลัวแต่เธอว่าเสียงนั้นเป็นเสียงพ่อของเธอกำลังเปิดประตูบ้านเดินเข้ามาเธอจะส่งเสียงเรียกพ่อของเธอพ่อจ๋าพ่อมาดูอะไรนี่สิพ่อหนูว่าซื้อข้าวบันไก่มาสองกล่องแต่มันไม่มีไก่แม้แต่ชิ้นเดียวทั้งทั้งที่เจ้าของร้านเขาก็ใส่ไก่มาให้แล้วพ่อของเธอทำหน้าแปลกใจ แล้วคุ้นคิดอย่างรอบคอบทันใดนั้นเองพ่อของเธอก็กลับกล่องข้าวมันไก่แล้วเปิดดูทันทีเด็กงูเอ้ยเจ้านี่โง่จริงๆทีหลังก็เปิดกล่องให้ถูกด้านหน่อยสิไก่อะมันอยู่ฝั่งนี้เรื่องนี้สอนว่าอย่าเพิ่งโวยวายไปจะยังหาสาเหตุแห่งปัญหาไม่เจอ ผลคำตอบของปัญหาอาจอยู่ใกล้แค่พลิกมือเดียวก็อาจเป็นได้